คือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชครืดด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาฮิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้ม พระรหมหาโมคคลานะตอบว่าท่านลนะักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยว บ, บินธบาตในกรุงราชครึกกลับจากบินธบาตหลังจากชั้นอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคลาะ เมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชเครื่นี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสูจกะเปรตเพศ ช, ชายลอยในอากาศเขมุดเหล่านั้นแทงเข้าในศีรษะของมันทะลุออกทางปากแทงเข้าไปในปากทะลุออกทางอกแทงเข้า ในอกทะลุออกทางท้องแทงเข้าในท้องทะลุออกทางขาอ่อนทั้งสองแทงเข้าในขาอ่อนทะลุออกทางแข้งทั้งสองแทงเข้าในแข้งทะลุออกทางเท้าทั้งสองจนมาร้องครวญครางเราผมมีความ ร, รู้สึกว่าน่าสจรรัจจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่พิกษุทั้งหลายพากันตําหนิ ระนามโผลธนาว่าระหมาโมคะลานะกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักูุญานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสุจกกักเกรดเพศ ช, ชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล